สำหรับคนที่ที่ทาไปแล้วรู้สึกอึ่งไม่ไม่เห็นชัดเจนมันฟุ้งเกินไปหรือมันง่วงเกินไปแกไม่จบเนี่ยเราให้ออกมาก่อนท่านั้นในเบื้องต้นเนี่ยสหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วเคยเข้าคอร์สเจ็กปมาหลายครั้งคือเก็บบางช่วงที่อยู่กรู้สติช่วงสามวันท้ายที่สี่วันท้าย พทกเราจะจัดเจวันหที่คุณสติมันจะเก็บอารมณ์ใชสามวันสี่วันหนักก็เก็บเข้มสวันแรกก็ทำรวม ก, กันท 2, 3, 3, ี่เราทำมา2 3สาชุดสำหับบางคนแต่บางคนก็เก็บเคยเก็บที่อื่นมายาวๆเป้าหมายเพื่อให้สามารถดูดารายละเอียดที่ลึกลงไปว่า เวลาเรามาปฏิบัติอย่างนี้ผู้ใหม่ต้องการให้ดูในส่วนที่ ย, ยากๆคือรู้สึกหนักเบาทางกายความไม่สบายความสบายไม่สบายทางกายนยปรับใมันสมดุลนี่สำหรับคนคนใหม่นะที่ยังไม่เคยเก็บอะไรก็ปรับในส่วนกายก่อนเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจผู้เรี้ มันเกิดไปจากความไม่สมดุลทางกายเช่นเราหนาวเกินไปไปเนี่ยถ้าหนาวเกินไปก็รู้สึกสัญสะทานความกลัวก็เกิดขึ้นมันก็เป็นอาการของจิต ด, ด้วยเป็นหนึ่งพะจากกรยความร้อนทางกายบางวันเกิดอากาศอับอ้าวลุสิกกายไม่สบายจิตของเราก็บก่อยโกรธก็วายาแสบใจ ก็เรื่องไปจะอากาศที่ไม่พอดีทางกายเหมือนกันดังนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ต้องต้องปรับความรู้สึกเหล่านี้ให้เป็นใช่หมเพราะว่าไม่ให้มันเกินนะไม่ให้มันเกินร้อนก็ไม่ให้มันเกินไปปรับให้เบาลงหนาวก็ไม่ใหมันเกินไปปรับเบาโดยการปรับที่นสภาพแวดร้อมเพื่อลมหงส์นะ ที่อาศัยพวกนี้ก็จะปรับหรูปทรมได้ระดับหนึ่งเท่าที่ทนได้แต่ถ้าหากว่าปรับมากเกินไปมันก็จะสบายเช่นไปอยู่ในห้องแอร์ถ้าเปิดพัดลมมากๆก็สบายแต่ว่ามันเกินหรือร้อนโดยบางคนก็ยังทนสู้อยู่กับอากาศร้อนๆแต่ว่าเราก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็วกระสับประส่ายก็ทนได้แต่ว่า ความรู้สึกทางกายที่ถูกบีบคัน้นโดยอากาศที่จัดเนี่ยมันบีบคั้นจิต ด, ด้วยตรงนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดตัวที่สองที่เราไปจัดการคือความเพลอและความเพลินแลความพอใจไม่พอใจก็ตามมาเวลาปฏิบัติในระดับนี้ก็พยายามเข้าไปแก้ไขปรับความเพลอความเพลิออกไปด้วยการปรับกายไปสมพ้อ ง, งกัน แลระดับที่สามความเพลิและความเพลินก่อให้เกิความคิดคลินก่อให้ความคิดปรุงแต่งแสทายฟุ้สซ่นความเพลินก่อให้ความง่วงนอนนอนความขี้เกียจความดีสบายไม่อยากทาความเพลินก็จะเป็นลักษณะออกมาในรูปแบบนั้น ซึ่งในการเก็บอารมณ์ก็จะดูทั้งสองส่วนนัว่าความไม่สบายทางกายทำให้เกิดเหตไม่สบายทางอารมณ์ได้ยังไงแล้วความไม่สบายความสบายทางกายก็อให้เกิดความสบายทางอารมณ์ได้ยังไงผู้ที่เขาเก็บอารมณ์ต้องดูระดับนี้ระนะตัวแรกจะ ป, ปรับที่ที่กายให้ชัดก่อนแต่พอมันหรือผลออกมาเป็นยังไง แต่ถ้าหากกระทำความดือไม่ทัน ก, กับรูปธรรมตายใหม่กลับไปกับมาให้เห็นความเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามกายกับใจในส่วนที่เป็นกายถ้าเราจัดการอย่าง ม, มีผลต่อจิตต่ออารมณ์ได้อย่างไรถ้าเราเห็นความสัมพันธ์เหตุปัจจัยที่ขอให้เกิด ซึ่งการกันอย่างเงี้ยถ้าเราตามกันมันก็แก้ที่เหตุเราไม่ได้ไปแก้ที่ผลเหตุที่มันเกิดเพราะความสนุนไม่ไม่ดีผนก็เกิดเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจมันนะเราก็จะไม่สงสัยว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ที่ถ้าหากว่าเหตุที่เกิดขึ้นเปทนาความรู้สึกยินดี พอใจหรือความไม่ยินดีไม่พอใจก็เป็นต้นเหตุของที่เกิดให้เกิดความหรือและความเพลินเราก็อาการเข้าเวทนาเกิดความเพิ่งพอใจและไม่พอใจที่นี้ความดูพอใจมากก็จะก่อให้เกิดความเพลินความไม่เพิงพอใจที่มากกว่าปกติก็เกิดถ้าสมมุติเราจับเ่วยทางกายเป็นแล้วตนะ้องไปเจเ็บป่วยทางเวนะทนากระทำจิต อากาศเวทนายินดีไม่ยินดีทางเวทนาเพราะรางการทางจิตก็จะเป็นเพลเินเพลินพอเพลิเพลินไปไอ้เมืกี้เราหลงยินดีในอารมณ์ไหนหลงไม่ชอบในอารมณ์ไหนกลับไปตั้งตัว ต, ว ต, วตวใหม่แกตรงนี้อันนี้คือผู้ที่เข้าเก็บรลวงเนี่ยทระดับนี้ก่อนแต่ถ้าหากว่าปรับระดับเนี่ยวไปแล้วต้องกลับมาตั้งตัวที่ใหม่ตั้งต้นที่ความสบายมือสบายความเกิด ยีดีเมื่อยีดีอย่างไรก็สลับไปสลับมาตรงนี้สองทางนี้ให้รู้เหตุปัจจัยของกันและกันว่าตัวนี้ก่อนเกิดกันได้อย่างไรคือเกิดการเก็บลมคือการศึกษาการทําวิจัยแต่ถ้าเรียกภาษาหนึ่ง ก, การเข้าแหล่งธธรรมทานนั่นเองในฐนานะเรามีประสบการณ์การเข้าแหล่งธมวิปัสสนาการเข้าไปเฝ้าบุญ ศ, ศึกษา ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีประสบการณ์ในการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆจากระดับประถมไปมัธยมเจ้ามัธยมไปไฮสคูลเนี่ยมัก็จะเห็นความแตกต่างระดับประถมคือดูกายการพัฒนาเชื่อมต่อกันอย่างไรก็ปรับความสมบูรกายเป็นระดับประถมระดับมัธยมก็ดูความเชื่อมต่อระดับเวทนาไปสู่จิตได้อย่างไรแล้วปรับเวทนาเป็น ระดับไฮสกูนก็มีความเชื่อมต่อระหว่างเวรนะัไปสู่จิตได้อย่างไรก็ไปไปสู่ระดับไปจิตไปสู่อารมณ์ได้อย่างไงก็ปรับจิตเป็นระดับปัญหาอะไรก็ไปปรับอารมณ์เชื่อมตอ่อกับอายตนะภายนอกได้อย่างไงปรับอารมณ์เป็นระหว่างกายกับรูปของอายตนะมันจะเป็นระดับระดับไปนียทีนี้เราจะเช็ค เราเองได้อะไรว่าเราอยู่ในระดับไหนอันนี้คือการตรวจสอบแต่ว่าในการศึกษาภายนอกเนี่ยพอจบประถมแล้วก็มันเป็นระดยมเป็นช่วงเป็นช่วงเ ป, ป, ป็นช่วงไป4ีปีหปีจประถมหนกะปีนประด h i ย h ไฮสคูลแล้วก็อีสี่ปีนี้นมาอะไรจะเป็นช่วงขาดอย่างเยีย แต่ในระดับปรมาภูมิหรืออารมณ์เนีถึงเรียนในศึกษาเย็นขั้นปฐมบางครัง้งจิตมันพร้อมสามารถไปศึกษาด้านวิทยุและอารมได้เลยแต่บางครั้งไปศึกษาด้านอารมจิตมันกลับไปพร้องกับมาด้านต้นดึกปฐมไหม่เนีมันสามารถทําได้ในเวลาเดียวกันทันทีหมันจะแยกส่วนกันเพราะจิตของเราพร้อมแต่ลักษณะไม่เหมือนกันบางค้งมีความพร้อมสูงมากไปดูระดับศึกษาระดับอารมณ์กับจิตเลยก็ดี ศึกษาแล้วระดับอารมณ์ตะกีดีๆมันเกิดไม่พร้อมจิตไม่พร้อมจิตไม่เอาจีตถอยอารมณ์ดานตัวใหมายที่ระหว่างความสมัมวัของกายกับใจทุกนณะไหมนะเพราะฉะนั้นในในแง่ของศึกษาด้านปรามาตุนด้านจิตยมันสามารถที่จะไปศึกษาขนาดดูที่ว่าความพร้อมของจิตแต่ละขณะไม่เหมือนกันเคำว่าความพร้อมในที่นี้หมายถึงตัว ศรัทธาตัวความเพียรางคนศรัทธายอดความเพียรยอดจิตไม่พอก็มันตั้งตุลใหม่หรื อ, อบางทีพักไปสักระยะสมมุติว่าความอยา ก, กไม่จะทำตัวเลยมีความขายันด้วยดีตันนี้ก็เรียกว่าขอวดีวะขอดอกไว้ก่อนหนึ่งปีปีหน้าไปดอกไหม <c oughs> คุณดอกไปเลยคุณเคยเรียนดอกไปล้วเพราะว่า เกล็ดคุณไม่ดีขึ้นนะทำให้คะแนนที่สั่งสมมา่ก่อนมันมันมันคอยดู้ดดไปเลยคุณหยุดเกลดไว้ตรงนั้นคุณดอกไปภาพ ก, การเด่นไปจะได้เห็นอะไรก็ตามนะเห็นสุขภาพไม่ดีไปทําอะไรผิดพลาดทงด้านครอบครัวก็แล้วแต่เห็นปัจจัยที่ยึดติดรูปธรรมแต่ทั้ง น, นั้นนํามาทํามันก็เช่นเดียวกันนะตอนเก็บอารมณ์อยู่ดีๆโทรศัพท์มาทํางบ้านลูกป่วยหนักรีบกลับบ้านโดยที่ ทำเก็บอารมณ์อยู่ดีเกิดตัวเองป่วยขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเกิดกระทำหันนะเดี๋ยวมมีเหตุปัจจัยนี่เก็บอารมณ์อยู่ดีดไฟดับน้าดับโอ้นีน้ำไม่มาไฟไม่มาหยุดก่อนก็แล้วกันนะี่นี่ก็เรื่ออัซิเดนต์ในระหว่างการก็เรื่องผมคุยส่วนด้วพอที่จะ่อมตัวมีเหตุปัจจัยมา่าวิมามาขั้นกลาวอย่างนี้เป็นต้นนั้ น, น, นการเก็บอารมณ์เบืงต้ทดสอบที่นีการเก็บอารมณ์ ก็มัหลายความว่าอคุณเก็บอารมณ์ไฟอารมณ์ันนูเราจะต้องไม่ต้องมาามรูปนาใหม่ไม่ใช่ดูความพร้อมของจิตในชวงนั้หาว่าจิตมีความพร้อมมันก็ศึกษาปฏิบัติก็ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีอุปสรรคขัดขวางไม่มีมานมารบ ก, กวลลนอะไรี้ก็ทำให้เราได้อารมณ์เรื่อยๆไปเชนเช้าพอ่อแลไปวก็ุมือลังเก็บอารมณ์เข้มอยู่ที่ราชเบรคแลไป ส, สอบอารมณ์กลุ่มนั้นะ ีก่อนที่เราเข้าเกี่ยวอารมณในกลุ่มสุดท้ายวันที่25นี่่าจะให้เขาหลายเข้ามาคุยกับพวกเราเได้รเจอพี่ก็จะออกหลงสลับที่กลุ่มชกเนื่อเข้มแข็งเขาสดับมาพ่อโยมชุกพรที่เป็นที่เลี้ยงดูแลเรื่องอารมณ์เป็นมง่อเี่ยไปอยู่ที่ราชสุก็ต้องกินมาที่ราชสุຈะฉะนั้นที่จะกชิโก้ราแล้วจากตลายชั่วโมงตัวเมีเราก็มานี่คือความตั้งใจความศรัทธาจริง เนนเรื่องของการศึกษาเรื่องของจิตเรื่องของปรมัตเดี๋ยวนี้มันเริ่มขึ้นแล้วั่นระจบ ก, กว้างมากซึ่งมุทางคไทยบางคนยังไม่สนใจเลยนะเพราะฉะนั้นในโลกต่อไปถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้จะอยู่ยากมากเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิง่งแวดล้อมมันจะมีขันด้านร่างกายและาาจิตใจเราสูงเราไม่ได้ฝูกฝนเรื่องนี้เราจะตั้งรับไม่ทัน แต่สําหรับคนที่ฝึกฝนเรื่องนี้เป็นประจําก็คือมันจะรู้เท่าทันปัญหาแล้วปรับกายปรับใจเป็นห <c oughs> ึงกับว่าจะลมระลายเท่านั้นอารมณ์ในประจะําวันขอให้สุขภาพดีก็ไปตรวจเจออะไรเข้าแต่เขาโรครายก็ขึ้นไปช็อกแล้วแต่คนปฏิบัติวิปัสนาจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ะจะรู้อ่านโดยเองออกภายในแต่ว่าภายในเขาตัวเองนีอะ อ่าตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเปิดเห็นตัวเองชัดจัดอารมณ์ได้ถูกต้องได้ถางการแต่คนไม่นิัสนาทําไม่ได้เพราะอะไรไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เกิดได้ขึ้นก็เราทำใจไม่ได้มันก็จะทําให้ชีวิตนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลโลงโที่คนผูกและยากนั้ น, น, นก็จริงอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาในรายละเอียดแทนที่อยู่ขั้นเบสิคขยับขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะนั้นวิธีการคือการเก็บอารมณเข้มจะเป็นการพิสูจน์ว่าเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วสามารถที่จะสร้างความพร้อมทางด้านจิตเพื่อจะได้ศึกษาอารขั้ขละเอียดลงไปได้ยาวนานแค่ไหนไม่ใช่ and down. อัปเป็นดาวขึ้นลงๆเดี๋ยวก็ได้อารมณ์เดี๋ยวก็ได้อารมณ์เดี๋ยวก็เหมือนกับคนเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวก็เหมือนไปไกลแล้ว ม, มันไม่ได้ต้องการความ เสถียรทาอารมณ์ระดับหนึ่งสําหรับผู้ที่เคยปฏิบัติมายากนะเะนั้นเองผู้ที่ได้เข้าใจอารมณ์รูปนามก็จะเริ่มต้นอา ร, ณรมณนะ์ปรมาภะปรมาภะทำต้นต้นปรมาภะบนกลางและประมาภะบสูงนะอารมณ์รูปนามหมายถึงว่าผู้ใหม่มีขยะมาหัศาผู้ใหม่นะ ผู้ที่ใหม่ที่จริงเนี่ยอารมณ์รูปนามก็หมายถึงมาถึงการกับใจพอสนรวจคนที่มาเคยปฏิบัติจะไม่รู้ว่ากายมัคนคิดวันคิดกี่ครั้งคิดเรื่องอะไรเรื่องดีเท่าไหร่เรื่องไม่ดีเท่าไหรไ่ดึงไม่ออกเพราะว่าเห็นการกับใจเป็นของตัวเองหมดไม่ได้รู้กายกับใจมันเป็นคนละอย่างอาศัยกาย ก, ก, กับใจเกิดขึ้นเท่านั้นเองนั้นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ก็ต้องแยกอารมณ์ยาบหยากร อันนี้หนาวอันนี้ร้ออันนี้ปวดอันนี้เมื่อยปวดเมื่อยแล้วจิตรู้สึกอย่างไรนะถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่สบายปวดเมื่อยจิตเขาก็จะไม่สบายก็้ลไม่ชอบอยู่อย่างนี้ไม่ชอบหนับเกินไปไม่ชอบเบาเกินไปฉันก็ยึดติดเรื่นสนุกกรมันคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็ อาการได้รับอาการทางกายใจก็ต้องเป็นไปตามอาการนั nữa, ้นแต่สําหรับนักปฏิบัติเบื้องต้นเริ่มศึกษาก็คือพยายามแยกระหว่างอาการทางกายกับอาการของรูกและอาการของหนังหุ่ใจออกจากกันว่าร่างกายร้อนใจมันจะเป็นไม่จะเป็นต้องรอโดยใจใจอย่างเฉยๆดีขึ้แยกว่าร่างกายหนาวจิตก็ไม่จําเป็นต้องกลัวหนาวไปด้วยก็เห็นอาการของหนาวเฉยๆ ก็ยังนิ่งสบายได้อยู่เริ่มแยกตรงนี้ก่อนให้ชัดให้ชำนาญเมื่อกันเถอตอนแรกก็ได้อารมณ์ดีก็ทาใจได้อยู่รอดจัดทั้งจัดทนได้สบายอยู่พอวันไหนไม่ได้อารมณ์ร้อนนิดหน่อยรู้ว่าวุ่นวายหมดแล้วหนาวนิดหน่ก็กลัวจะร่มจะตายอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่คงที่จะถ้าหากว่าพอเข้าใจอารมณ์รูปนามเรื่องคงที่หมายคามว่าร้อน ก็ดีนะก็ดีแม้กระทั่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันกระทุกในระดับที่ทําให้เกิดความไม่สบายจิตใจก็ยังนิ่งได้อยู่เราปฏิบัติอย่างที่ดีดใครมาเราเราพร้อมเดมาเสียงีอะวายคนที่ใหม่ยังไม่รู้ว่าทำก็จะเกิดการมีจังการพวกนี้แต่สำหรับคนที่เข้าใจปฏิบัติเขาจับหลักได้แล้วเขาฟังชียเฉยได้เมื่อเกิดมีจันการ หรือ่กว่าวันเวลาไปรับอาหารสำหรับคู่ใหม่เปทานอาหารถูกปากก็เยอะหน่อยไปทารไม่ถูกปากก็ไม่ไม่เอาอะไรน้นอยก็จะมีการเลือกสีกิ่งโดดแต่นั้นก็ยังเผือได้อยู่แต่ผู้ที่เคยปฏิบัติมาระดับหนึ่แล้วนี่ก็มีหน้าที่ตัดใจว่าเราเลือกประมาณท่านน้กินหายอยู่เท่านั้เอ ง, งเพื่อท่านก็จะ ต้องการความชอบไม่ชอบในสีสี เ, เรนะื่องนั้นก็จะทําใจได้อีกระดับหนึ่งซึ่งเราจะเห็นพัฒนาการของอารมณ์เรื่อยๆที่ในที่สุดในผู้ระดับปฏิบัติที่เก็บอารมณ์แล้วนี่ยังไงก็ได้ยังก็ได้คือต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาถึงต้องการเพื่ออยู่ได้เท่านั้นเองไม่ต้องการเพื่อดีเลิศประเสริฐหรูห่วยไม่ต้องการอย่างนั้น แต่ขณะเดียวกันก็ไมายถึงกับว่าปฏิเสธไม่เอาขออะไรที่มไม่นื้อเลยไม่ดื่มไม่กินได้อดข้าวอะไรมาอดก็ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ไปถึงขนาดนั้นแสดงว่าอะไรที่มันพอดีพอเป็นไปได้ก็เป็นใช้ทุกอย่างก็เป็นเครื่องมือเท่านั้นไม่ได้เอาดีไม่ดีในรูปเสียงกินโดยสัมผัส น, นะโดการเราปฏิบัติไม่ไม่ให้ความสําคัญ ถ้าูปสิ่งกินลดไม่ว่าดีไม่ดีไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นแต่จะใช้มันเป็นเพียงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะศึกษาดึงกายดึนใจเท่านั้นอาหารเขากิน้ังอิม่มอร่อยไม่อร่อยก็ได้ที่นอนเขให้พอนอนได้ดับจะนุ่มหรือไม่นุ่มสบายสบายหรืไม่ไม่ให้ความสําคัญตรงนั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้มาเรีฝึกทุกอย่างต้องได้อย่างใจ เพราะฉะนั้นความแตกต่างของผู้ปฏิบัติใหม่และผู้มาปฏิบัติเดิมก็แตกต่างกันคือว่ายึดสิ่งรูปเป็นนามยึดสิ่งที่เป็นนามก็เป็นรูปด้วยหรือบางทีรูปนามไม่ได้แยกยกันแต่เพราะเริ่มปฏิบัติเรื่องแยกกันน ะ, ะเหมือนกับไก่ที่หนุ่มยกตัวอย่างบ่อย ในช่วงไหนที่มันไม่ฟักน่ไก่กับไข่มันก็เป็นส่วนเดียวกันพอไข่แตกเปลือไข่แตกไข่ก็เละไปด้วยใช้ไม่ได้แตกกระจายไปแต่พอเรานำไปต้มเนะื้อทุบวสูงขึ้นเปลือไข่แตกแต่ไข่ไม่ได้แตกไปด้วยนะไข่ก็เป็นข้อรงมันต่า ห, าหาละเึิมแยกกันละ ในระดับลูกนางจะเป็นประตับนางคือสามารถแยกเปลือกไข่กับตัวไข่อย่างกันได้พอด้ระดับปรมัติตไก่ที่ยังไม่ได้ฟักมันก็ยังเป็นไข่อยู่พอมันฟักปั๊มันเริ่มแยกอันนี้คือเปลือกอันนี้ลูกไก่ในอารมณ์ปรมาจิตมันจะเห็นการแยกเหมือนไข่ระหว่างเปลือกไข่และลูกไก่ที่ถูกฟักจะออกมาเป็นตัว แก่ลูกนางอาอกังเป็นออกมาเป็นอะไรเป็นไข่ต้มแต่ประมาดออกมาเป็นลูกไก่ลูกเล็กๆ อ, อันนี้มันก็จะแยกลักษณะของการไปแต่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติเรื่องนี้เลยไข่กับตปวกไข่แตกไข่ก็อยู่ไม่ได้อันนี้คือความแตกต่างว่ามีการขบวนการการเปลี่ยนแปลงในช่วงในช่วงอารมณ์ประมาดค่อนข้างใชุ้ลังูมิสูงมันต้มไข่ มันความใช่ขยันความขยันความเพียรความต้นหนึง่งความหนักหน่วงในการปฏิบัติเพื่อที่จะเห็นความแยกให้ชัดระหว่างความหนักความเบาของร่างกายกับคุสมความชอบไมชอบของร่างกายได้อย่างไรแล้วก็มาเห็นแยกเบื้องต้นเลยก่อนว่าเบื้องตนว่าความรู้สึกเวลาปกติแล้วนั่งไปนานมันรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นไม่สบาย เวลาเป็นนิพจพราความรูม้สึกไม่สบเปลี่ยนมาเป็นสบายลักษณะเหมือนกับไข่ที่อยู่ในไก่ยังไม่ได้ไข่นะฮะพอไข่ออกมาถุางจะออแยกกันมันก็จะเป็นระดับระดับของมันไประหว่างไก่ยังไม่ได้ไข่ไก่ไข่แล้วจะเ น, ในือนตุ่มไข่ตุ่มแล้วก็จะมาทอดมันก็จะเป็นส่วนของมันปรอกอบไปเที่อยๆรเรีวาพัฒนาการของอารมณ์้าจารย์ยิจัดอารย์การภุ้มแพ้ก็ทำให้ดี ขอไม่ดีนี้ก็เป็นภูมิแพ้มา่ก่อนมือชาติหลายชาติแล้วติดมาเป็นพันธุกรรมแต่ก็ดีในะระดับนี้เมื่อก่อนหื่นคันขึ้นเตาขึ้นให้น้ำหูน้ำตาไหลเวลาอากาศเย็นอย่างหลังจากที่มาใช้วิธีการต่อาน้ำตาอะไรทำบาลก็ดีขึ้นน่ะดีขึ้นเยอะถ้าจะถ้าอากาศไม่เปลี่ยนแปลงไม่จใจอึนตอนนี้ดีแทบจะไม่เป็นอะไรอื แต่ถ้ากลับไปอยู่อเมริการกลับว่ากรุงแพร์หายไปเลยนะ<ม>อากาศที่นั่นเขาเขาสะอาดมาเขาให้ความขอนอกเหนือหน่อยเขาให้ความสะอาดของอากาศเนี่ยมากกว่าอาหารเพราะอากาศเนี่ยเราต้องกินมา24ชั่วโมงแต่อาหารกินวันละสองาครั้งเท่าั้นแต่ทางเอเชียของเราให้ความสำคัญเรื่องอาหารมากกว่าอากาศสุขภาพเลยดีสุขภาพเลยดี พอชุลอากาศสารพัดเข้าไปแล้วเพราะนั้นไฟป่าเนี่ยของเขาเกิดที้เข้าะบางในส่วนที่เั็นแรงนี่นแต่เขาไม่ได้เผาทั่วทั่วไปโดยที่ไม่จำเป็นเร า, า, ากวาดขยะมาก็จุดละเดี๋ยวนี้ก็เรื่องมีผู้แตนักรู่ขึ้นทำขยะทำฝังแต่ก็น้อยสำหรับคนที่ จะหนักรู้เรื่องคุที่ยังนิสัยทั่วไปก็ยังพออยู่เช่นเดียวกันในขยะทางอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเพราะการเกิดการดัาทางอารารรมมณ์ีกเกิดการตายทางอารมณ์ตลอดเวลาประด็ ต, ตัวของเรานีม่มีการเกิดการตายของเสี้ยวตลอดเวลาก็ายังมันจึงมีของเสียออกมาเ น, นี่ยอีเรียกว่าเสียวต่งางต่าออก่าเป็น จากของดีเนี่ยออกเป็นของเสียหมดถ้าเกิดทางศีรษะก็หลุดเป็นะ mm hmm. ขี้แหละที mm ่หั่นแขนขี่หูขี้ตาไปเรื่อยๆอั น, นของเสียปรากฏตลอดเวลาเราต้องอาบต้องขัดต้องน้างต้องขัดต้องสีอยู่วันทั้งหลายๆครั้งเพื่อชำระของเสียที mm hmm. ่ออกพะเสียมันเกิดการเกิดดำเกิดดบต้องตายตลอดเวลา mm hmm. เขาเรียกว่าฮานิการบาร์นะดาตายทีเดีย แ, แต่เราไม่รู้จนกระนั่น สมุทเชมรณะถึงจะรู้ได้แบบเป็นขาดถ้ากายตึดับถึงจิตญาณี่ถึงจะรูมตายในอารมณ์ข้อง เ, เหมือนกันในระดับระดับเกิดดับของรูปที่เรามาเซียวตายที่ออกมากเป็นชนต่าเต้องชำระขึ้นหมดแต่ในระดับนามเกิดดับทางอารมณ์ท้่เรารู้สึกตลอดเวลาบางครั้งรู้สึกสบายบางครัรู้สึกไม่สบายรู้รสึกไม่สบายก็เซียวทางอารมณ์ตายก็ออกมาเป็นอารมณ์ จิตไม่ชอบไม่ยินดีไม่พอใจเวลาหนาวเนียเซียวมันตาย เ, อเยอะแต่เพิ่งสิบเจ็บใช่ไหมอาการหนาวนี่อาการเจ็บชนิดหนึ่งก็เสียวก็ตายหมดมือนกะผักถุกน้ำร้อนแล้กระหดก็ในความสัมพันธ์ของความแตกดับทางอารุณ์ทางรูปเนื่องกันหมดเลยนะ แต่เนื่องจากว่าถ้าเรายังไม่ได้วิปัสสนาที่เข้มแข็งเราก็จะเห็นความาสัมพันธ์ความแตกต่างเลยไม่ได้เพราะระดับสติปัญญายั้ยเดียนพัฒนาที่เป็นโลกุตระเป็นโลกียะอยู่ฉะนั้นการเก็บอารมณ์จิวเป็นช่วงที่เปลี่ยนอารมณ์ที่เป็นโลกียะให้เป็นโลกุตระความแตกตา่างระหว่างอารมณ์ที่เป็นโลกียกะกับโลกุตระต่างกันอย่างไรต้องรูตรงนี้ให้ออกถ้าอย่างนั้นเราจะเปลี่ยน ในส่วนที่โลกียให้เป็นโลอุตระไม่ได้อารมณ์ส่วนที่เป็นโลกียหมอนจะออกไปเป็นความคิดอดนดีดนะครในคิดดูที่นี้แต่พอเรามาเก็บปฏิบัติเราเปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวนั่นเองเป็นตัวที่เป็นโลอุตระคือปัจจุบันปัจจุบันตือกิตมาอยู่กับ จิตไปอยู่กับปัจจุบันนะ่าจะเป็นอารมณ์ปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าจิตไปอยู่ในความคิดเป็นอนดีตอนาคตเพราะความคิดถ้าไม่มีอดีตอนาคตมันออกมาปเป็นความคิดจะคิดอะไรไม่ได้ถ้าเราคิดขึ้นมาทั้งที่ความคิดที่ตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีออกมาจากตัวเขาเรียกว่าอาตีตาลงหรืออนาคตาลงเป็นสัญญาที่ยวกัาอดีตอนาคตก็มาเป็นความาคิคมด แต่พอเรามาปฏิบัติเราพยายามปลดย้ํามรูสึตัวเพื่อให้เป็นอารมณปัจจุบันความคิดก็เปลี่ยนมาเป็นตัวตัวรู้ด้วยอัตโนมัติเท่านั้นองการสะเทือนหรือการเป็นปัจจุบันตัวคิดก็จะเปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวสัญญาก็จะเป็นตัวปัญญาด้วยอัตโนมัติของมันเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเพราะฉะนั้นจะมาสร้างกระบวนการการเตือนการระดึกมีสื่อเพื่อจะเปลี่ยนตัว คิดใหเป็นตัวรู้แต่ถ้าเราไม่สร้างตัวตะนักรู้คือตัวสติที่ขึ้นมามัน ม, มีอะไรจะไปเปลี่ยนมันได้เลยก็คือตัวสติเพราะนั้นสติถึงจะเป็นตัวฐานอารมณ์ที่สําคัญที่จะเปลี่ยนอดีตอนาคตให้เป็นปัจจุบันนะแต่ถ้าหากาเราเผลอเราเผอเราลืมด้วยเหตุปัจจัยต่ตางๆให้ได้กล่ับไปแล้วควารู้ก็เปลี่ยนไปเป็นความคิดปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นอดีตอนาคตได้ทันที เราค่จะเจลีแปลเปลี่ยนมาวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวคิดให้เป็นอารมณ์ได้นานเท่าไหร่แต่ตัวเป็นตัวคิดให้เป็นตัวรู้เนี่ยได้นานเทาไอันนั้นคือความหนาแน่นของความรู้สิบตัวที่จะเป็นเป็นระดับสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาต่อไปแต่ถ้าหากว่าตัวรู้ที่เปลี่ยนมาจากก็คิดมาเป็นตัวรู้ไม่หนักไม่นาแน่นไม่ยาวของก็จะเป็นเป็นสมาธิสัมปชัญญะไม่ได้ อารมณ์ก็ยังรักษาจิตความรู้ก็ยังรักษาจิตไม่ได้จิตก็ยังกระโดดไปอดีตอนาคตเ ป, เ, ปเป็นความคิดอยู่นะนั่นยิงอยากจะให้เข้าใจนเรื่องนี้ให้ชัดเจนเสมอนะเราจะได้ไม่จะได้ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติเราทำแบบศึกษาไ ม, ไม่ได้ทำเพื่อมาได้อารมณ์แต่ศึกษาเราได้เห็นค้ออารมณ์ เมื่อเราศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะคิดต่อไหนก็ได้ไม่คิดต่อไหนก็ได้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไปเข้าใจยังไม่ศึกษาให้เข้าใจเนี่ยด้วยความอยากเราอยากจะให้มันดีแต่เหตุปัจจัยมันไม่พร้อมจะให้ดีจะดีเนี่ยอยากจะได้อารมณ์เมื่อเห็นปัจจัยมันไม่พร้อมจะให้ได้อารมณ์ก็ไม่ได้เดี๋ยวพอศึกษาเรื่องนี้แล้วแล้วเนี่ยเราอยากจะได้อารมณ์เดิไหนเราก็ทําได้เลย เสียอารณเสียตัวไหนก็ปรับให้อารมณ์ดีได้เลยเพราะเรารู้ว่ามันเสียเพราะอะไรมันดีเพราะเรารู้เหตุปัจจัยเพราะนั้นท่านใช้คำว่าทำวิจัยากในช่วงที่เก็บเข้มในการทาวิจัยทำคนณไหนยังสติสมรยาปัญญาดีไม่พอที่จะวิจัยก็ต้องออกมาก่อนพอตั้งกำลังเอาเข้าไปศึกษาใหม่ พอบางครั้งทําไปทํามามันอารมณ์มันหมดมันหมายความว่ามันเกิดเบื่อขึ้นมาดื้อๆเลยนะมันผ่านแค่ผ่านเกเรงี่มันเกิดฟุงงซ่านมุ่นวายเบื่อเส็งขึ้นมาเป่าอะไรก็ไม่ได้แล้วมีแต่นอนอย่างเดียวคิดแค่จะนอนอย่เดียวขอนอนก่อนดีกว่าไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้หมายความมันหมดละมันหมดอารมณ์แล้วเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เราก็ยังไปแช่อยู่นั้นออกมามาทําทุ้อย่างพอกระตุ้น ให้เกิดกำลังสติสัญญาขึ้นมาใหม่ถ้าจะว่าไปก็คือเหมือนกับรถอะทิ้งไว้อากาศเย็นแบตหมดรีพชาร์ดวนนี้จะไปสตาร์ตสตาร์ตยังไงก็ไม่ติดละทำไงก็ต้องเอาแบตไปชาร์ดใหม่ออกมาชาร์ดแต่ เ, า อ, เอาพอแบตไปติดก็บางติดลูกใหม่ลักษณะรูปกระทอย่างไรลักษณะกระทำก็อย่างนั้นแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เกิดโอฟาริโก ที่จะน้อมเรื่องภายนอกกับหาภายในน้อมน้อมไปในออกทางนอกยิงไม่เกิดอุปสรรคุณไม่เป็นข้อรารูปการธรรมไม่สว่างชัดเจนนั่นเอ ง, เองก็ใช้วิธีนั้นเอาเพราะนั้นการปฏิบัติมีปัิศนาจริงเป็นการใช้เทคนิคเหมือนกับ น, นักเวียศาสตร์นและแต่ถ้าหากว่าเรายังศึกษาในขั้นต้นยังไม่ชำ น, นิชำนานเนี่ยเรารีบด้วยความอยากมันก็จะไม่ไปไหนนะ เพราะว่าการทำนิพพานการทํภาวณาจะทำด้วยความอยากไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องความอยากแต่เป็นเรื่องเขาไปแก้ไขกำกับจัดการความอยากออกไปแต่ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำดวยตัณหาในการศึกษาเองทำให้เกิดตัวปัญญาศึกษานี่นั่งนานเมื่อวันจริงหนักเวลาเปลี่ยนมีธรรนจึงเบาเนเพราะฉะนั้นไอตัวที่เราเขียนใส่เรียนรภาวะธรรมดาได้ แต่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ทั่วไปเคนที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องวิสัญชตาติญาณคนทั่วไปยัอยู่ด้วยสัญชตาติญาณมากกว่าปัญญาญาเพราะนั้นก็จะมีนความทุกข์ปัญหาอย่านั้นไม่จบไม่สิ้จนกว่าผู้มาปฏิบัติจะยังเปลี่ยนตัวสัญชตาติญาณให้เป็นปัญญาญาขึ้นมาโดยอาศัยฐานของสติสมะธิญาดังนั้นการพบฒนาสติสมญญาจึงเป็นเรื่องสําคัญเอาสติเข้ามาเป็นฐานเรื่อสติประธานการที่เรา อาศีประถารไปที่ตั้งเพราะอาศดมาประถารไปที่ตั้งหนึ่งคุณจะเปรู้ตหนับรู้เรื่องทั่วไปไม่ได้ตนักรู้แค่สี่เรื่องแต่รู้เรื่องอาการทางกายไปไกเป็ น, น อ, ปอย่างไรกน้งชัย็อดของแขงเค่งตึงเป็นอะไรตนักรู้อาการของเวทนาทางกายเป็นอย่างไรเวียร์ทางจิตเป็นไรเวทนาทางกายออกเรือรุ่งของอย็นยอดออกแข็งเค่งต ไปพัฒนาทางจิตออกมาดเรื่องของหอวใจเรื่องหัวใจชอบไม่ชอบก็มาดูตัวนี้ตระหนักรู้เรื่องเลยนะแต่หลักรู้เรื่องจิตเพราะคณะจิตของเราคิดหรือไคิดคิดเรื่องดีดหรือไม่ดีมันเผลอหรือมันเบลอแต่ถ้ารู้เรื่องจิตแล้วก็ไปตระหนักรู้เรื่องของอารมณ์ในคระนี้อารมณ์ฟรีอารมณ์ปกติหีืขึ้นขึ้ น, น, นลงลงริ่งริงเฉยเฉยดีหรือไม่ดี เพราะนั้นจะเอาสติมาเป็นฐานของภาวนาก็ต้องต้องระลึกให้อยู่แค่สีเรื่องนี้เท่านั้นเราจะลึกอดีตอ น, นาคตอะไรเนี่ยก็ก็อยู่ในสีเรื่องนี้สติก็จะกลายมาเป็นฐานของสมถะญาณแล้วก็ปัญญาไปเรื่อยๆ อ, อันนั้นแหละที่จะมาปรับตัวเปลี่ยนตัวสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาได้โดยอาศัย ส, สติ สตัมญญะนั้นนั้นเราจะต้องจะต้องตามรู้สติสัมปชัญญะที่ไปนในการเคลื่อนไหวทางกายไปเคลื่อนไหวทางเวทนาการเคลื่อไหวทางจิตเคื่อไหวทางอารมณ์เราดูการเคลื่อนไหวอย่างหยากๆทางกายดูให้รู้เข้าทการเคลื่อนไหวอย่างหยากๆทางกาย ม, มีกี่ระดับ ย, ยังไม่เรียนเเนาะมีหระดับการเคลื่อนไหวในระดับของ ลมหายใจเข้าออกที่เราทํำในเช้าลึกตื้นมีผลต่อร่างกายอะไรวันวนนึงถ้าหากว่าเราปล่อยให้การเคลื่อนไหวของลมเข้าออกโดยที่ไม่ได้สติเข้าไปร่วมอยู่สั้นบางยาวบางลึกบางตื้นบางอย่างนั้นแต่พอมีสติเข้าไปร่วมเราเริ่มหายใจนึกหายใจยาวซึ่งมีผลต่อการหุ่นไดะแล้วโบ สมองเศรษฐกิจาระบบประสาทต่างๆมีคลการเือไหวระดับที่สองระดับที่หนึ่งเรื่องารเคลื่นไหวของระดับของกลุ่งอาจจระดับที่สองคืออะไรปฏิบัติที่เคยผ่านแล้วต้องจับได้ใช่ไหมการเคลื่อนไหวระดับที่สองของร่างกายเองหนูสอบตรวจทุกการแรกอีวีซีไงยิงเดินั่งนอน ที่ในท่านั่งนี่ก็เอามาย่อยแยกกิ่งพอย่อยเป็นสิบวท่าเ น, นี่ก็ตงเปลนให้มันครบที่ใช่นั่งแช่อยู่ค่าเดียวอันนี้ก็เรียกว่าเราไม่พัฒนาละพ่อเราไม่ได้เห็การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดิแช่มีความสบายไม่อยากปรับเปลี่ยนอันนี้เราอย่างยังใช้การเคลื่อนไหวทางกายการเคไวทกายระดับที่สองคือที่บวนะแล้วก็แบ่งเป็นกา ร, ร คลื่อหวดับทีสมเรื่องยบวย่อยเพราะในเคลื่อนไหวในยีบวดสี่มีย่อยเยอเลยนะยีบวย่อยพับตาอาปากหายใจเดี๋ยวใส่อะไรกบกุ้เงยอยากจยักชวนการเคลือนไหวในส่วนเล็กเท่านั้นเลยก็ต้องตามดูให้ชัดเุนเรี่องเดียวสุดนั้นเวลาพวกเราเข้าเก็บอลงมเนี่ยเราก็จะต้องตามเคลื่อนไหวใ้ระดับทางกายทั้งแต่ใหญ่ใหญ่ละเอียดให้ได้ซะก่อนก่อนที่จะไปดูการเคลื่อนไหวทาเวทนาล้ จิตทางอรมณเป็นการเคลื่อนไหวทางกายที่ง่ายและยากเพราะคุณจำไม่หมดคุณยังจำไม่หมดครับแล้วการเคลื่อนไหวภายในเชิงรละเอียดไม่มีตัวตนให้เห็นเนี่ยจะไปตามรู้ได้อย่างไรการเคลื่อนไหวระดับที่หนึ่งลมหายใจระดับที่สองอีโบทสี่หรือนั่งนอนระดับที่สามีโบทย่อยระดับที่4การเคลื่อนไหวของธาตุธาตุที่เรเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะท่านอะไรก็รู้ทากายเคลื่อนไหวตรงนั้น เดือมนักของท่าอะไรหรือว่าจะไม่ได้ท่าสีไมได้ว่ามว่าจไม่ได้ไดยของท่านลมใช่ไหมที่เรานั่งนิ่งๆโดยที่ไม่ล้มไปด้วยอาศัยของท่าคืท่าอะไรท่าดินใช่ไหมอีความเข้มแข็งตั้งมากไม่ได้ท่าดนเรารู้สึกเย็นรู้สึกล้อได้เนาะเพราะท่าใท่าไปกับท่าน้ำ ทำงานรวมกัถ้าท่านน้ำมากเกินไปก็เย็นที่มันเย็ก็ต้องปักมาเป็นอาทัดไฟเข้าไปบลามันก็ใส่เสี้ยนแลหนาไปเปิดที่ฮีทเพิ่มไฟขึ้นมาที่ฮีทในตัวเราไม่พอต้องเติมี่ข้างนอกเข้าไปใส่เขึ้นไหวของทัไฟทำให้เราอบอุตอดถึงการอาหารอหารย่อยได้ถ้าขึ้นไหวของทัดน้ำเยอะแล้วเย็นถ้าเย็นเกินก็ต้องทุ่มบาัานทัดไฟเข้าไป ถ้าร้อนเกิดกับบาลานซ์นำเข้าไปเพื่อจักสมดูมันในการเคลื่อนไหวของธาตุธาตุสีกระบวนการคลื่อนไวของอาการ32ของกายกายที่มีอาการ32อาการอาการของตาอาการของผมองเลือ็ของฟันข้งน้ำของลําไส้ของตับไตไส้ปอดของเลือดลมน้ําเหลืองอะไรต่างๆถึง32ส่วนมันเคลื่อนไหว แต่เราจะไปตามรู้ใน่ส่วนไม่ได้แต่ถ้าหากออกมาเคลื่อนไหวในส่วนที่ถูกต้องคนรู้สึกเบาสบายท่า น, นเองมาดูรูปรเบาสบายทางกายนั่นมาประการของอาการ12เป็นปัญ่าบวกณ์การเคลื่อนไหวของกายในทางที่ไม่สบายรู้สึกไม่สบายคิดขัดหนักงูปวดขัดส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกาย ถ้าเราไปโรคไปจําตัวเราก็้สึกเจ็บตรงนั้นเลยเจ็ตรงนั้นรู้สึกอาการไม่ดีตรงนั้นเนื้การเคลื่อนไหวของอาการสันติสุขก็จะออกมาเี็สามอาการ <c ười> อาการอะไรบ้าง <c ười> อาการสันติสุขเดียวที่มันจะออกมาเป็นย <c ười> ีาอีสามอาการคือการสบาย <c ười> ไม่สบาย <c ười> แล้วก็เป็นกลาง หายใจอบอเป็นเวนาสามทีนี้การเคลื่อนไหวแต่เป็นการเคลื่อนไหวของเสียซึ่งไก้กล่าวเมื่อกี แ, บบแบปบหนึง่งแล้วไปนักแปบหบนึ่งกไปบ า, าเลยอาการหายใจเข้าเป็นอากาศดีพหายใจออกเปไ็นยหายใจส่กันน้ำมัชอบน ะ, ะ, ะเตี๋ยวข้าวเป็นอาหารที่ดีมากอาหารจาน เป็นพันนะพเพราะเคี้ยวค า, า, าวนะ่ามีค่าไหมดูไม่ได้เราไม่ได้แหะเห็นไหมเข้าไปแค่ยังไม่ทันคืนก็ออกมาเป็นของเสียแล้วทันทียิ่งหานลำตรวออกไปยิ่งนักเนะข้าไอีกคุณ <c oughs> ต้องไปหาซี่เจาะเขห้องน้ำสร้างเนี่ยที่สุดก็จะเก็บของเสียไว้อย่างมิชิลนั่นเองอันนี้การขึ้นแบบของเสียมีอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่เรื่องเหย่่วคายอยี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาตนะิมีอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนไหวของเสียท <Yeah. S 1> ี fått, three, though one, though ่เราต้องชัดต้องล้างวันทั้งหลายคนนี่เราได้อาการของเสียเหล่านี้ตอนมันจะออกก็ปวดนะซึปวดท้องปวดหนักปวดเราใช่ไหมมันจะมีอาการอาการขับเคลื่นของเสียออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกสามทีสามเหมอากันทั้งหมดทั้งปวดนียนะทั้งหกเนี่ยทั้งหการเคลื่อนไหวเนี่ย พอมันกลั่นออกมเป็นตัวพินามายสามอย่างที่กล่าวมาแล้วการเคลื่อนไหวทางกายมีหกระดับพอไประดับพินาเลยสามระดับที่สบายมีสบายก็กเป็นกลางพอไประดับการเคลื่อนไหวจากพิ น, นาไปสุกิก็เป็นสามเหมืกันรู้สึกเป็นไนงะพอใจมั่นพอใจแล้วก็เฉยๆนะแต่ใ น, นระดับของฉีนเนี่ยในส่วนไม่พอใจทั้งแยกเข้าไปมากมายนะส่วนพอใจเนะี่ย พอใจแยกเป็นอะไรบ้างแยกเป็นสบายกายขอให้เกิดความยินดียินดีท่เกิดความจิตใจจิตใจก็ให้เกิดความไขายากความไขายากให้เกิดความความเพลินความเพลินด้วยความไขาย่างความไขายางกับคามครอบขรองการครอบครองก่อให้เกิดเป็นยุติการยุติก็ให้เกิดการดิไซน์อยากมันเริ่มพัฒนารายละเอียดลไปเรื่อยๆในตัว ในตัวสบายได้นะให้ตัวถ้าไม่สบายก็พัฒนาจากความไม่ยินดีก็มันเป็นความไม่พอใจความพอใจพัฒนาไปเป็นตัวขุ่นใหญ่ขัดเคืองใจอึดหัดขัดเคืองขัดแยง้งลงไปจะเป็นความดื้อดึงแขัดขึงแล้วเกิดการ โกรธการพยาบามอาคาดไปรุ่นเลยไปเรื่อยจากความไม่สบายเล็กๆนี่นะถ้าีุณจัด ก, การมไม่เป็นมันจะขยายตัวออกไปคือแล้ค ว, วามเป็นกลางเหมือนกันมันก็จะอาการที่เป็นกลางจากความรู้สึกเป็นการที่ ส, สบายๆก็ออกมาเป็นตัวหลงตัวเฉยๆเอวตขาเนี่ยนะเอวตือขาแล้วก็เกิดตัวหมูตัวหลงหลงอุตอามมัเกิดตัว สำคัญผิดสำคัญผิดในระดับต่างๆจนไปถึงตัวไม่รู้ตามความจิตที่อวิชามันจะพัฒนาขึ้นไปตามระดับนี้จากเวทนา3ตัวเนี่ยผมไปวัพัฒนาเป็นอาการทางจิตและทางอารมณ์มันละเอยดขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษาในระดับตัวให้ชัดเจนถ้านั้นถ้าระดับสามองคชัดเจนเป็นรายละเอียดมันซับซ้อนมากแต่าที่ี่คุณจะ อุนไหวเลยไม่รู้มาได้ไงพวกนี้นะแต่ผู้ภาวนาจะดำดาขึ้นมาเป็นอย่างนี้เพราะตัวนี้จึงเกิดตัวนี้ปฏิสบารจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้สิ่ง น, นะนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะไม่รู้จึงเกิดการคิดเพราะคิดจึงเกิดการสำคัญผิ ด, พดเพราะสำคัญผิดจึงเกิดเพราะวิชาเกิดสำคัญสำคัญตอ่อไปเรื่อยๆ ม, อยนะมันก็จะขยายตัวออกมา แต่ในด้านอนนั้นในด้าในตัวที่มันเป็นนามธรรมแล้วน่ะส่วนหนึ่งลูกประธรรมเพราะมีอะไรเพราะมีการรูปผกระทบตาจึงเกิดการเห็นใช่ไหมเพราะมีการเห็นก็จึงเกิดการรู้สึกจากรู้สึ ก, กเริ่ความชอบหรือพอใจไม่พอใจไปเรื่อยๆแหละแต่การกระทบเสียงมากระทบหู เกิดการได้ยินพอได้ยินแล้วเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกเกิดชอบและไม่ชอบความชอบนั้นจะพัฒนาไปเป็นตัวจิตและอารมณ์ซับซ้อนไปอีกเพราะนั้นก็มีการกระทบทั้ง6ทางนี่แหละเรื่องของกาเป็นรูปกระทบรูปขอให้เกิดอะไจักรูกระทบรูปรูปกระทบจักรูปขอให้เกิดจักรูปวิญญาณ ก็ให้เกิดจากรูปภาษาเาก่อนจักรูปภาษาถ้าจากรูปภาามดีจักรูปวิญญาณก็ทางานไม่ได้ก็เป็นจากรูปวิญญาณไอ้จากรูปวิญญาณก็คือมันก่อให้เกิดตัวแยต่างเกิดการพิสัไปทานานเอาทนไปยาวอย่างนี้เห็นเพราะนั้นมันเกิดเริ่มต้นจากรูปนี่แหละูปต่อรูปเพราะนั้นในขณะนี้รูปของความเย็นมากระทบกายใช่รู้สึกเป็น ดีที่ไม่ยินดีพอใจที่ไม่พอใจอเนี่ยตัวสตีที่เราฝึกมันก็จะมีบทบาทมันรู้ตรงนี้แหละแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติสัญญาามีการกระทบรูปต่อรูปเนี่ยมันก็นกแกค่ปัญญาณแล้วก็จัดการโดยเป็นตัวสมุทัยมีเหตุเกิดทุกชอบไม่ชอบรัะใช่ไหมแต่ถ้ามาภาวนาะปัรนะูปกระทบรูปก็ผ่านภาษาผ่านวิญญาณ เปลี่ยนวิญญาณให้เป็นญาณอ่ะตรงนี้สำคัญผู้เป็นญาณให้เหลือแต่ญาณถ้าวิญญาณเดี๋ยวข้อจิตของเราจะเริ่มตกไป็นในระดับอารมณ์ต่างๆถ้าเป็นญาณเนี่ยดึงออกมาถอดออกมาเป็นตัวรู้ตัวเดียวกระทบแล้วรู้กระทบแล้วรู้กระทบแล้วรู้ไม่ใช่กระทบแล้วต่างกระทบแล้วต่างแต่คนไม่ได้ฝืนฝนเมื่อมีการะทบแล้วก็ต่างๆใช่ั้การทำทำาำพูดต่างในสิ่งนั้นแต่ว่าพอกระทบแล้วรู้ อาจจะไม่คิดตามจะพูดตามไม่เท่าตามมือเฉยๆก็ได้นี่คือความตาม่างสําหรับผู้ที่ปฏิบัติจะไม่ปฏิบัติถ้าคนณไม่ปฏิบัติเนี่ยร้อยทั้งร้อยกระทบระตามหมดเพราะอะไรเพราะมันคิดว่าการยกับใจเป็นเรื่องอันเดียวกันเมื่อกระทบกายใจก็ทำตามแต่พอมาปฏิบัติจะเอาสติมาแยกว่าเออนี่นปนเป็นทุกนี่เป็นนามไม่ใช่เรื่องเดียวกันะกระทบรูปจิตไม่จําเป็นต้องไปตามก็ได้จิตก็รู้เฉยๆ เปลี่ยนตัววิญญาณมาเป็นตัวอย่างคือตัวงเวลาเสวตทำมาจากจากักขุภูธาปฏิญาณันขึ้นมาบ่อนเลย mm hmm. การ ก, กาาาระทบภูฏญาณหนูธาปฏิพอคุณรู้สามารถรู้ได้ยาวขึ้นเปลี่ยนญาณมาเป็นปัญญาตัวรู้เป็นปัญญาพอคุณรู้เป็นเรื่องเลวลาอะไรเป็นอะไรแล้วคุณจัดการให้ถูกมันเป็นวิชา mm hmm. ใช่ไหมมันจะลาดับไปนี้ดังนั้นการกระทบ คือเป็นส่วนสําคัญว่าจะเปลี่ยนเพราะไม่มีการกระทบตัวเมืนข้อกรรัรความเปลนรปรต่างก็ไม่เกิดขึ้นถามแบบสมมุติที่เป็นรูปธรรมว่ารครัองมันอยู่เฉยๆเนี่ยมันมีเสียงไหมไม่มีเสียงแตมีเสียงต่อเมื่อมีการกระทบเท่านั้นใช่ไหมกระทบก็เกิดความหมายเอถึงเวลาฉันเพลงนี้ถึงเวลาฉันยาว ภาษาทางก็จะตอบสนองมันรู้สึกหิวขึ้นมาตะอี้ตะกี้วนี่เได้ยิเสียงระคังแะ้วไหมเนี่ยการกระทบมันมีตอบสนองต่อปฏิกิริยาทางร่างา ก, กายทันทีดังนั้นเราก็ศึกษาโอ้ตารูปกระทบตาถ้าไปดูรูปทั่วไปเปิดตาปับ๊บเราเห็นตัวๆๆๆนู้นตัวนี้เราก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ชอบอันใรเป็นพิเศษขึ้นหมก็เผิ่ไปเห็น ดอกลาบดอกหนึ่งผมันสวยกว่เพื่อนอาชักชอบคแล้วเพราะฉะนั้นการกระทบปั๊บมันเคยเกิดผัสสะเวทนาชอบไม่ชอบกระทบปั๊บพัฒนาแต่ถ้าหากว่ากระทบปัป๊มนมีอะไรเป็นพิเศษถามว่ามีมผัสสะไหมถาไม่มีมันเห็นนอะผัสสะกระทบแล้วแต่อาการชอบไม่ชอบไม่มีแต่ชอบไม่ชอบไม่มี แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรการกระทบนั้นเป็นอะไรเป็นดนูรู้หรือไม่รู้รู้แบบไหนรู้แบบวิชาแลือวิชากระทบแล้วรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่ไม่รู้ดังความเป็นจริงเข้ามันเป็นอันวิชากระทบแล้วเกิดอป็วิชาแล้วก็รู้ว่าสวยหรือไม่สวยชอบเข้าไปชอบไม่ชอบวิชาก็ทําหน้าที่ต่อไปแต่เรารู้เหมกันเพราะว่ารู้รู้เฉยๆรู้ซื่อ รู้ในการรู้ว่ารู้ว่ามันไม่มีอะไรรู้เฉยๆลักษณะนี้ก็เป็นวิชารู้สัตรวตะรู้เห็นสัตวตะวเห็นได้ยินสัตว์ตะวนได้ยิตัวนี้มันเกิดถึงเวลาอะไรใช่ไหมลักขัมันตังเองนะเนี่ยไม่มีใครตีนะแสดงว่าเทวดาก็หิ้งมือกันนะให้เสิดเด่นนิดหน่อยมีอยู่ครั้งหนึ่ง ก็เทียนกำลังเทศในขนาดฉันที่พระฤาษีเศษท่านระยกแก้วสมัยนั้นไม่ใช่แก้วพลาสติกเนี่ยก้วพยกวดสุงมาดันกระทบแก้วป้องมันบวดเวลาได้เลยเลยไม่ใช่ก็ผมยกขวดพิจังหวะาว่าอะไรโรยเลยสรุปเลยนอมันมีมันมีผลในการกระทบนี่นะทำให้เกิดสัญญาไรหม่ใหม่ขึ้นมาก็ทาให เราต้องระวังแต่แต่ว่าพระหันที่ท่านมาทํำกานกระทบนะ้กระทุบเบแต่ถ้าหากว่าผู้ที่คุณธรทำอ่อนนี้ก็คุณู้ว่าจะเป็นฐานที่กระทบแล้วเกิดเป็นฐานที่เวทนาก็เป็นพระ อ, าาอนาคามีถ้าการทั้งพิการกระทบถึงพระรหัเนั้นพอก็ท่านที่เวทนาเป็นพระอนาคานี้ฐานที่ตัณหาเป็นพระโสดาบัน เ ป, เ, ปาาปเป็นพระสดารวันเป็นศสกิณาคามีท่านที่ประธานเป็นพระสวดารวันแล้วแต่คุณจะทํำระดับไหน น, นะเพราะว่าจะต้องป้องเนี่ยประานระดับไหนฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนของทั้งฝ่ายวยาและปฏิบัติเราก็จําเป็นต้องสร้างทั้งสองส่วนถ้าไม่สร้างทั้งสองส่วนไปรู้เฉยๆไม่แยกเห็นว่าอะไรเป็อะไรไกไไ็แสดงว่าอะไรเนี่ยคุณมั่ว <c oughs> คุณไม่ไไมีวิชา มั่วบปเราก็ไอคนฟังก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วใช่ไหมตามไม่ถูกอ่ะเดี่ยวการมั่วได้เพราะนั้นถ้ารู้ทางปริยัติปฏ sure ิบัต enfin, ิเป mm ็นคนขุมั anyway. yeah. no ่วไมาได้ว okay. okay. ่าหลักฐานมันมับังครบมันบังคับอยู่นั้นราะนั่นเองปัญหาทั่วไปที่มันเกิดในเรื่องการเที่ยวาัสอต่างๆก็ก็างครู้ไม่ช่างก็มั่วมั่วไปมั่วมาถูกจับจับได้เพราะจับได้ก็เป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นกันไหมก็แก้ไขไดงไม่จยเพราะนั่นเองการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน เราก็พยายามทำความเข้าใจถ้ามีอะไรไม่เข้าใจสับสนขึ้นคุณต้องมาตั้งต้นใหม่เสมอตั้งตัวที่ยูปทีนามตั้ต้นด้ความรู้สึกเฉยเฉยนิสสบายๆก็ตั้งต้นเข้าไปใหม่เพราะฉนั้นอย่ากลัวต่อการตั้งต้นพูดตั้งต้นคือตัวงพี่ก็กลับมาตั้งตัวใหม่ได้ตั้งต้นเดินเข้าไปใหม่ถ้าเราไม่เริ่มตั้งต้นใหม่นะ มันก็จะงผีดด้วยไปมาเล่าหลายครั้งว่าสมัยหนึ่งผีที่เชียงใหม่เนี้เดินทางจากโดยปุยจะลงมาผาลาดนีทางเส้นนี้เขาบอกมันเป็นทะาุไปนี่มันแค่เจนะ็ดเจดกิโลแล้วถ้าคุณไปทางอ้องจากโดยปุยอ้องมาทางผูกพิงลงภาลาด2ี่สิบโลนะแต่คุณรับเมันแค่เจ็ดโลคุยเอาไปเจ็ดโลดีว่า แล้วมีทางจากเดินเป็นทางเดินอ่งเี้มันก็ต้องอย่าหลายแยกเรา ไ, ไ, ไม่ไปเดินเอ๊ะวันที่สี่แยกวันที่สามแยกเราจะไปทางไหนเนี่ยเราไม่เจอใครด้วยนะแต่ชี้แจงทางนี้กันเอาไม่รู้ไปทะลุที่ไหนอ้าวไม่ใช่มาทางนี้ท่านต้องไปถาระต้องไปทางนู้นเดินกลับมาอีกตอนที่ข้ามภูเขาเป็นไปสองสาวลูกแล้ว น, นะตายกันบมดีนะจนกระทั่งไปพบชาวเขาที่มันทนะทําไรอยด่ในในป่าเนี่ยจุงเขาจะบอกเลย ไปตรงนั้เป็นสายแยกคุณไปทางซ้ายนะั้นเป็นขวาไปตรงนี้ชี้แยกคุณไปตรงนะั้นเดี๋ไปซ้ายขวานนะ่อนะแล้วก็ไปตากนั้นไปถึงไปถึงไปออกฐานได้ชั้นใดก็ดีในทิศทางทางอารมณ์เนี่ยบางทีมันไปเจอไม่ใช่สองสามแยกนะ<ม>เป็นห้ายแยกเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกเอาไว้ก่อนมันแยกไม่ถูกนะมันก็ต้องหลงหลงแล้วหลงอีกเพราะนักวิธีการมันต่างตั้งรุนใหม่อ ถ้ามีครูอาจารย์ก็ถามว่า อ, อย่างนี้ประเด็นนี้ใช่ไหมท่านท่านก็จะบอกนะดังนั้นประโยชนทขอการมีกรลยาณมิตรครูบอาจารย์ก็คือตรงนี้เพื่อไปถึงศาสตร์แยกสี่แยกทางอารมณ์แลจะถามว่าจย่างนี้ใช่ไม่ใช่ถ้าเรามีไม่มีกรลยาณมิตก็หลงแล้วลมอีกหลมซ้ซํากอันนะันมันก็ทาให้เราเบื่อหน่ายปฏิบัติไม่ไหวแล้ว ค, คววรูบาอาจารยนะ์ว่าเรามีไม่พอไปโู่นเลยนะอ้างวารามีแต่คนทิงเพียงแต่หากัลยาณมิตรผู้รู้จริงมาบอกให้เราก็ไปได้แล้วนะ จะไปเจอกระด้ษวิธีไม่รู้เป็นจริงน่าจะไปทางนี้นะผมคิดว่านะนอนอาติเชื่อวไม่ได้เลยเนะีผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้นะคนนั้นก็ยังเรียนไม่จบเหมือนกันนะไม่ถึกันดนะังนั้นาการเตียบอารมณ์ในวันนี้นะก็ขอให้เราไปสำรบดตรวจสอบความพร้อมให้ดีหนึ่งนะคนต้นเนี่ยไม่รู้จะส่งโทรศัพท์เป็นบนทบุลันวิีส่คืนเนะนี่ยขอบคุณจี๊ยดมาเรียบร้อยนะ ทัไอแพดทังโทรศัพท์พวกนี้มันจะเป็นสัญญาณพอไปถึงช่วงหนึ่งนะมันเกิดไม่รู้ตัวเลยแล้วไปจีบนึกกันเรื่องอะไรอีู่ไปหเขาห้ามเปิดเอาเปิดไปเรียบร้อยแล้วเอาไหนๆก็ไหนๆเปิดโทรทำเพื่อนเรียบร้อยโทรไปบ้านไรเรื่องอเลยทีนี้กลับบ้านด่วนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลจบเลยการเกี่ยวเราพวกคุณมันก็เรียกว่าเราไม่เราไม่ไม่ไม่เคารพกฎกติกา มันก็จะเกิดไวิบากขึ้นวันนี้ดีพ่อไม่น่าจะเข้าโรงพยาบาลก็มาเข้าตรงนั้นก็ดีอันนี้ก็เรียกวิบากกรรมในการที่คุณไม่ส่สงตามพุิการเพราะนั้นก็ต้องเราเก็บไวน้ะ้วยสับไม่แผดด้วย ก, กระดังมาตัดใจกันนะที่เอาของดีแลยเนกะ็ตัดของที่เถี่ยงเกาไม่ใช่ของดีปัจจัยเสี่ยงก็ได้เหมือนนะนั้นก็วันนี้ผู้ที่เข้าชุดแรกหลังจากนอาหารเสร็จแล้ว ก็จะการปรับที่อยู่ที่นอนอะไรขน่านปูอยู่ตรงนั้นที่นอนใช่ไหมเพราะปูอยูม น, นั้งเผลอเอานั่งหน่อยนั่งบนที่นอนอ่ะเพลยาวเลยจะยินพับหน่อยพักต้ัง <c oughs> ยาวต้องเก็บโ้กงแพคให้ดีนะเราะในห้องนั้นมีอะไรเลยยิ่งดีมันจะเป็นมีที่รูดส่วของกิเลสนะฉนะ <c oughs> <c oughs> นั้นก็ไปปรับให้เรียบร้อยแล้วก็ถา้าหากว่า ตับไปให้แคร์ในใจว่าออชั่วโมงที่หนึ่งเราจะทำอะไรนชั่วโมงที่หนึ่งเราจะเดินชั่วโมงที่สองจะนั่งโต้ยาวไปเอาแค่สิบนาทีก็พอไดนะ้ยาวไปชั่วโมงนั่งสิบนาทีเดินสิบนาทีนะหรือบางทีไม่ต้องตั้งเอาไว้เออเดินไปรู้สึกมันไม่สบายก็นั่งนั่งไอ้ตอนนี้มาค่อยๆตัวนั้นให้มีสัจจะตัวเองนะตั้งสัจจะว่า เราจะซื้อที่เวียดนามยืนเดินนังน่งพี่เราจะไม่นอนนะเพราะฉั น, นก็บทสีให้ครบกันเริ่มกันตามธรรมชาติที่ท่านตรัสเอาไว้ไปนู่นอันนี้ระว่ากัที่เ็สจะอรอดท่นบอกว่าต้องปฏิบัติให้อรบยบทสีพอปฏิบัติยาสีนี่ด้องไม่ขึ้นมันเหนื่ยทวนอันนี้ก็ต้องระวังปัจจัยเสี่ยงมันจะเอาปจัจจัยสีเอาปัจจัย ร, ระวังปัจจัยเสี่ยงอันนั้นก็ทา พนะตรงรู้ว่าในช่วงอสอบอารมณ์อีกกลุ่มหนึ่งพ่อจะนัดเป็นเวลาเวลาเัานช่วงเย็นช่วงเช้ชเชชชาอีคีก็หลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วก็จัด ก, การแล้วคนที่ยังไม่ได้เข้าเกี่ยวดนต้องมาดูประเดี๋ยตวตรงนี้มาโดนนะชาวนี้ก็คือว่ามป็นขนาสาธุตรรมในอรารมณ์การปฏิบัติเพื่อเราจะได้ไปศึกษา ทำความเข้าใจกัตัวเองให้ชัเจนทุกขั้นตอนของสถรษฐิบลีเพื่อเราจะได้เห็นทางของอาดียมัคเป็นทางของพระเยซเจ้าเราจะได้เดินตามรอยของพระสาสจะเพื่อให้เราจะได้สมาธิที่แท้จริงด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ